จตาลีสันิบาตหนึ่งอิสิธาสีเทรีคาถาภาษิตของพระอิสิธาสีเทรีพระสังฆิติกาจารย์ได้กล่าวภาสิตเหล่านี้ว่าในเมืองปัตตลีบุตรได้ชื่อว่าเป็นเมืองดอกไม้เป็นแผ่นดินที่ผ่องใสมีพระพิสุณีผู้ทรงคุณธรรมเป็นกุลธิดาในศักยะสกุลสองรูป ในสองรูปนั้นรูปหนึ่งชื่อว่าอิสิธาสีรูปที่สองชื่อว่าโพธิล้วนมีศีลสมบูรณ์ยินดีเข้าฌานเป็นพระหูสูตรกำจัดกิเลสได้แล้วทั้งสองรูปนั้นเที่ยวบินทบาตฉันและล้างบาดแล้วก็นั่งพักอย่างสบายในที่สงัดได้เปล่งถ้อยคำเหล่านี้ถามตอบกันพระโพธิเทรีถามว่าแม่เจ้าอิสิธาสี แม่เจ้าเป็นผู้น่าเลื่อมใสยอยู่แม้วัยของแม่เจ้าก็ยังไม่เสื่อมโทรมแม่เจ้าเห็นโทษอะไรจึงขนไขายในเนคขมะเล่าพระอิสิธาสีเทรีนั้นฉลาดในการแสดงธรรมเมื่อถูกซักถามในที่สังัดจึงได้กล่าวตอบดังนี้ว่าแม่เจ้าโพธิขอแม่เจ้าจงฟังเหตุที่ฉันออกบวชต่อไปนี้เป็นคาวิสัชนา ในกรุงอุเชนีราชธานีบิดาของดิฉันเป็นเศรษฐีสำรวมในศีลดิฉันเป็นธิดาคนเดียวของท่านจึงเป็นที่รักที่โปรดปรานและน่าเอ็นดูภายหลังพวกคนสนิทของดิฉันที่มีตระกูลสูงมาจากเมืองสาเกตขอดิฉันว่าเศรษฐีมีรัตนะมากขอดิฉันบิดาได้ให้ดิฉันเป็นสะพายของเศรษฐีนั้น ดิฉันต้องเข้าไปทําความนอบน้อมพ่อผัวและแม่ผัวทุกเช้าเย็นต้องกราบเท้าด้วยเสียงกล่าวตามที่ถูกสั่งสอนมาพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายหรือบ่าวไพร่ของสามีดิฉันไม่ว่าคนใดดิฉันเห็นแล้วแม้ครั้งเดียวก็หวาดกลัวต้องให้ที่นั่งเขาดิฉันต้องรับรองเขาด้วยข้าวน้ำของเคี้ยวและสิ่งของที่จัดเตรียมไว้ในที่ที่เขาเข้าไปนั้น นำเข้าไปให้และต้องให้ของที่สมควรแก่เขาดิฉันลุกขึ้นตามเวลาเข้าไปยังเรือนสามีล้างมือและเท้าที่ใกล้ประตูประนมมือเข้าไปหาสามีต้องจัดหาหวีเครื่องผัดหน้ายาหยอดตาและกระจกแต่งตัวให้สามีเองเสมอเหมือนหญิงรับใช้คุ้งข้าวต้มแกงเองล้างภาชนะเองทั้งนั้นปรนนิบัติสามี เสมือนมารดาปรนิบัติบุตรน้อยคนเดียวจงรักพักดีทำหน้าที่ครบถ้วนเลิกถือเนื้อถือตัวขยันไม่เกียจคร้านมีศีลอย่างนี้สามีก็ยังเกลียดสามีนั้นบอกมารดาและบิดาว่าลูกจากลาไปละลูกไม่ขออยู่ร่วมกับอิสิธาสีทั้งไม่ยอมอยู่ร่วมเรือนหลังเดียวกันด้วยมารดาบิดาของเขากล่าวว่าอย่าพูดอย่างนี้สิลูก อิสิธาศีเป็นบัณฑิตฉลาดรอบคอบขยันไม่เกียจคร้านทำไมลูกจึงไม่ชอบใจละ่ะสามีของดิฉันพูดว่าอิสิธาศีไม่ได้เบียดเบียนอะไรลูกหรอกแต่ลูกไม่อยากอยู่ร่วมกับอิสิธาศีลูกเกลียดลูกพอแล้วจะขอลาไปพ่อผัวและแม่ผัวฟังคำของสามีดิฉันนั้นแล้วได้ถามดิฉันว่าเจ้าประพฤติผิดอะไรเจ้าจึงถูกเขาทอดทิ้ง จงพูไปตามความเป็นจริงสิดิฉันตอบว่าดิฉันไม่ได้ประพฤติผิดอะไรไม่ได้เบียดเบียนเขาทั้งไม่ได้พูดคำหยาบคายดิฉันกล้าหรือที่จะทำสิ่งที่สามีเกลียดดิฉันได้นะคุณแม่ม่านดาบิดาของเขานั้นเสียใจถูกทุกครอบงำหวังทนุนอมบุตรจึงนำดิฉันส่งกลับไปเรือนบิดาฉันเป็นผู้ชนะสิริที่สวยงามแล้วหนอ ภายหลังบิดาได้ยกดิฉันให้แก่กุลบุตรผู้ร่ำรวยน้อยกว่าสามีคนแรกครึ่งหนึ่งโดยสินสอดครึ่งหนึ่งจากสินสอดที่เศรษฐีให้เราครั้งแรกดิฉันอยู่ในเรือนสามีคนที่สองนั้นได้เดือนเดียวต่อมาเขาขับไล่ดิฉันซึ่งบำรุงบำรเรออยู่ดุดทาสีไม่คิดประทุษร้ายมีสินสมบูรณ์บิดาของดิฉันบอกบุรุษผู้หนึ่งที่ฝึกกายและวาจาแล้ว มีหน้าที่ฝึกจิตของชนเหล่าอื่นกำลังเที่ยวขอทานอยู่ว่าเจ้าจงทิ้งผ้ า, เ ก, าเก่าและกระเบื้องขอทานเสียมาเป็นลูกเขยข้าเถิดแม้บุรุษนั้นอยู่ได้ครึ่งเดือนก็พูดกับบิดา ว, ว่าโปรโดคืนผ้าเก่ากระเบื้องขอทานและภาชนะขอทานแกฉน่ฉันเถิดฉันจะไปขอทานตามเดิมครั้งนั้นบิดามารดาและหมู่ญาติของดิฉันทุกคนพูดกับคนขอทานนั้นว่า เจ้าทำอะไรไม่ได้ในที่นี้รีบบอกมาเธอจะทากิจนั้นแทนเจ้าเองเขาถูกบิดามารดาและหมู่ญาติของดิฉันถามอย่างนี้แล้วจึงพูดว่าถึงตัวฉันจะเป็นใหญ่และเป็นไทฉันพอแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ร่วมกับอิสิธาสีฉันไม่ขออยู่ร่วมกับอิสิธาสีทั้งไม่ขออยู่ร่วมเรือนหลังเดียวกับเธอชายขอทานนั้นถูกบิดาปล่อยเข้าไป แม้ดิฉันอยู่คนเดียวก็คิดว่าจะลาบิดามารดาไปตายหรือไปบวชเสียขณะนั้นพระแม่เจ้าชินนัทัตาเถรีผู้ทรงวินัยเป็นผู้หูสูรมีศีลสมบูรณ์เที่ยวบินทบาตมายังตระกูลบิดาดิฉันเห็นท่านจึงลุกไปจัดที่นั่งของดิฉันถวายท่านและเมื่อท่านนั่งเรียบร้อยแล้วดิฉันก็กราบเท้าแล้วถวายอาหาร ดิฉันเลี้ยงดูท่านด้วยข้าวน้ำของขวัเคี้ยวและสิ่งของที่จัดไว้ในเรือนนั้นให้อิ่มน้ำสำราญจึงเรียนท่านว่าดิฉันประสงค์จะบวชเจ้าค่ะลำดับนั้นบิดาพูดกับดิฉันว่าลูกเอย๋ยเจ้าจงประพฤติ ธ, ธรรมในเรือนนี้ก็แล้วกันจงเลี้ยงดูสมณะและพรามทั้งหลายให้อิ่มน้ำด้วยข้าวและน้ำเถิดขณะนั้นดิฉันร้องไห้ประนมมือพูดกับบิดาว่า ความจริงลูกทำบาปมามากแล้วลูกจกชำระกรรมนั้นให้เสร็จสิ้นกันเสียทีครั้งนั้นบิดาจึงให้พรดิฉันว่าขอให้ลูกบรรลุอรหัตมรักอรหัตผลอันเลิศและจงได้นิพพานที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทรงกระทำให้แจ้งเถิดดิฉันกราบลามารดาบิดาและหมู่ญาติทุกคนบวชได้เจ็ดวันก็ได้บรรลุวิชาสาม รู้ระลึกชาติได้เจ็ชาติจากบอกกรรมที่มีผลวิบากแก่แม่เจ้าขอแม่เจ้าโปรดสำรวมใจฟังวิบากกรรมนั้นเถิดชาติก่อนดิฉันเป็นช่างทองในเมืองเอรกะกัตชะมีทรัพย์มากมัวเมาในวัยหนุ่มได้เป็นชู้กับพรญญาผู้อื่นดิฉันนั้นตายจากชาตินั้นแล้วต้องไปหมกไห่้อยู่ในนรกเป็นเวลานานถูกไฟนรกเผาแล้ว ครั้นพ้นจากนรกนั้นแล้วก็เกิดในท้องนางลิงพอเกิดได้เจ็ดวันวานอนใหญ่จ่าฝูงก็กัดอวัยวะสืบพันธุ์นี้เป็นผลกรรมที่ดิฉันเป็นชู้กับพัญยาผู้อื่นดิฉันนั้นตายจากกำเนิดวานอนนั้นแล้วเกิดในท้องแม่แพะตาบอดและเป็นง้อยอยู่ในป่าแคว้นสินทุพออายุได้สิบสองปีพาเด็กขึ้นหลังไปถูกเด็กตัดอวัยวะสืบพันธุ ป่วยเป็นโรคมูน้อนชอนชัยที่เอาวิวสศ่อพันนี้เป็นผลกรรมที่ดิฉันเป็นชู้กับพัญญาผู้อื่นดิฉันนั้นตายจากกำเนิดแพ้นั้นแล้วก็เกิดในท้องแม่โคของพ่อค้าโคเป็นลูกโคมีขนแดงดังน้ำคลั่งอายุ12บสองเดือนก็ถูกตอนดิฉันถูกเขาใช้ให้ลากไถและเทียมเกวยนป่วยเป็นโรคตาบอดมีความลาบาก นี้เป็นผลกรรมที่ดิฉันเป็นชู้กับพัญญาผู้อื่นดิฉันนั้นตายจากกำเนิดโค น, นั้นแล้วเกิดในท้องสาวชายข้างถนนในพระนครเป็นหญิงก็ไม่ใช่เป็นชายก็ไม่เชิงนี้เป็นผลกรรมที่ดิฉันเป็นชู้กับพัญญาผู้อื่นอายุส0สิปีก็ตายมาเกิดเป็นเด็กหญิงในตระกูลช่างเวนที่เข็นใจมีโภกทัพย์น้อยมีเจ้านีมากมาย เมื่อนี่ พ, พ่อภูนทับโถมมากขึ้นแต่นั้นในกองเกวียนก็ริบเอาทรัพย์สมบัติแล้วฉุดคร่าดิฉันนั้นผู้กำลังรำพันอยู่ออกจากเรือนของสกุลภายหลังบุตรของนายเกวียนนั้นชื่อคิริธาตเห็นดิฉันเป็นสาวรุ่นอายุ16ปีก็มีจิตปฏิพัตจึงขอไปเป็นพันยาแต่นายคิริธาตนั้นมีพันยาอยู่ก่อนคนหนึ่ง เป็นคนมีศีลมีคุณธรรมและมีชื่อเสียงรักใคร่สามีอย่างดียิ่งดิฉันได้ทาให้สามีเกลียดนางข้อที่สามีทั้งหลายเลิกรางดิฉันซึ่งปรนิบัติอยู่เสมือนสาวใช้ไปก็เป็นผลกรรมที่ดิฉันนั้นกระทาแล้วในครั้งนั้นดิฉันสิ้นสุดกรรมนั้นแล้วจตารีสันนิบาตจบ 16. มหานิบาตหนึ่งสุเมธาเทรีคาถาภาษิตพระสุเมธาเทรีทราบว่าพระสุเมธาเทรีเรียกล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเราเป็นที่ดาของพระอัครมเหสีพระเจ้ากนจักกรุงมันตาวดีชื่อว่าสุเมธาผู้ที่พระอรียเจ้าทั้งหลายผู้ทำตามคาสั่งสอนทาให้เกิดเลื่อมใสแล้ว เจ้าหญิงสุเมธามีศีลกล่าวทรรได้วิจิตเป็นพระหูสูตรถูกแนะนำในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าพระชนกและพระชนนีกราบทูลว่าขอพระชนกพระชนนีทั้งสองพระองค์โปรดตั้งพระทัยสดับย์คำของลูกลูกยินดีอย่างยิ่งในนิพพานพบถึงแม้ว่าจะเป็นทิพย์ก็ไม่ยั่งยืนจะกล่าวไปใหญ่ถึงกรามทั้งหลายซึ่งเป็นของว่างเปล่า มีความยินดีน้อยมีความคับแค้นมากการทั้งหลายเผ็ดร้อนเปรีบยบเรื่องงูพิษที่พวกคนเขาหมกมุ่นอยู่พวกคนเข่าเหล่านั้นแออัด ก, กันในนรกต้องประสบทุกข์เดือดร้อนอยู่เป็นเวลาช้านานพวกคนเขาไม่สมรวมกายวาจาและใจทำแต่ความชั่วพอกพูนแต่ความชั่วย่อมเศร้าโศกในอบายทุกเมือ่อ พวกคนเขลาเหล่านั้นมีปัญญาซามไม่มีความคิดยินดีแล้วในทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้สัจธรรมสีที่พระอริยะแสดงอยู่จึงรู้อริยสัจไม่ได้ทูลกระหม่อมแม่เจ้าขาคนเขลาเหล่าใดเมื่อไม่รู้สัจจะทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงแสดงไว้แล้วยังชื่นชมพบพอใจเกิดในหมู่เทพคนเขลาเหล่านั้นมีอยู่เป็นจํานวนมากในโลกนี้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 ลูกจากขนขวายน้อยภาคเพียนเพื่อละชาติและมรณะกายที่มีโทษคือกายที่ไร้าสาระซึ่งพวกคนข่าวชื่นชมนักนาจะมีประโยชน์อะไรในภพขอทั้งสองพระองค์ทรงอนุญาตเถิดลูกจากบวชเพื่อดับภวะตันหาความอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายลูกได้แล้วอักคณะลูกก็เว้นแล้วขณะลูกก็ได้แล้ว ลูกจะไม่พึงทาลายศีลและพรหมจรรย์ตลอดชีวิตเจ้าหญิงสุเมธากราบทูลพระชนกพระชนนีอย่างนี้ว่าตราบใดที่ลูกยังเป็นครหัตจะไม่ยอมรับประทานอาหารถึงจะตายก็ยอมเพคะพระชนนีของพระนางสุเมทานั้นทรงเป็นทุกข์ทรงกันแสงและพระชนกของนางมีพระพักนองด้วยอสุชนทั้งสองพระองค์ทรงพรยายามเกลี้ยกล่อมพระนางสุเมทานั้น ซึ่งฟุบลงที่พื้นดินณนะพื้นปราสาทว่าลูกขึ้นเถิดลูกรักจะเศร้าโศกไปทำไมพ่อแม่ได้ยกลูกให้พระเจ้าอนิกรัฐผู้ทรงสง่างามในพระนครวารณวดีแล้วลูกจะเป็นเอกอัครมเหสีของพระเจ้าอนิกรัฐศีลพรหมจันทร์บรรพชาทำได้ยากนะลูกรักอำนาจในแคว้นของพระเจ้าอนิกรัตทรับความเป็นใหญ่โพคะ ในราชสกุลนี้ถ้าลูกปรารถนาแล้วก็จะอยู่ในเงื้อมือของลูกลูกก็ยังเป็นสาวจงบริโภคกรามทั้งหลายเถิดลูกจงวิวาเสียหน้าลูกนะลำดับนั้นเจ้าหญิงสุเมธากราบทูลพระชนกพระชนนีนั้นอย่างนี้ว่าอำนาจเป็นต้นเช่นนี้จงอย่ามีเลยเพราะพบหาสาระไม่ได้ลูกขอบวชหรือตายเท่านั้นแต่ลูกไม่ยอมวิวาแน่นอน กายที่เปื่อยเน่าเหมือนหมูนอนไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปน่าสะเพริงกลัวเป็นดูดถุงหนังบรรจุศพเต็มด้วยของไม่สะอาดไหลออกอยู่เนืองๆซึ่งคนเข่าวยึดถืออยู่ลูกรู้อยู่ว่าร่างกายนั้นปฏิกูลเหมือนหมูนอนถูกฉาบไว้ด้วยเนื้อและเลือดเป็นที่อยู่ของหมูนอนเป็นเยื่อของแรงกา ทำไมทุนกระหม่อมจึงพระราชทานซากศพแก่พระราชาพระองค์นั้นเพคะไม่ช้าร่างกายที่ปราศจากวิญญาณถูกหมู่ญาซึ่งพากันเกลียดชังทอดทิ้งไปเหมือนท่อนไม้ที่เขาก็พากันนำไปทิ้งป่าชา้ามารดาบิดาของตนยังเกลียดชังพากันเอาซากศพนั้นไปทิ้งให้เป็นอาหารของสัตว์อื่นๆในป่าชา้ากลับมาก็ต้องอาบน้าดำกล้าว จะกล่าวไปใยญ่ถึงหมู่ชนทั่วๆไปเล่ามูชนยึดถือแล้วในร่างกายอันเปื่อยเนา่าเป็นซากศพไม่มีแกนสารเป็นร่างของกระดูกและเอ็นเต็มไปด้วยน้ำลายน้ำตาและอุจจาระผู้ใดพึงชำละร่างกายนั้นกลับข้างในมาไว้ข้างนอกผู้นั้นก็จะทนกลิ่นเหม็นของร่างกายนั้นไม่ได้แม้มารดาของตนก็ยังเกลียดชังลูกพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายว่า ผันธาตุอเยตนะอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีชาติเป็นมูลเหตุเป็นทุกข์เพราะเหตุใรจะพึงปราถนาการวิวาเล่าเพคะหอกสามร้อยเล่มไ ม, ม่อี่มจะพึงตกต้องที่กายทุกๆวันและทิมแทงอยู่ถึงร้อยปียังประเสริฐกว่าหากว่าความสิ้นทุกข์จะพึงมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ผู้ใดรู้แจ้งคำสอนของพระศาสดาอย่างนี้แล้ว พึงยอมรับการทิมแทงด้วยอาการอย่างนั้นยังประเสริฐกว่าเพราะสังสารวัตของคนเหล่านั้นซึ่งถูกชาติพยาธิและมรณะเบียดเบียนบ่อยๆยาวนานในจำพวกเทวดามนุษย์กำเนิดสัตว์เดรัจฉานหมูอสุรกายเปรตและสัตว์นรกการทำร้ายกันยังปรากฏอยู่หาประมาณไม่ได้สำหรับสัตว์ที่เศร้ามองอยู่ในอบายยังมีการทำร้ายกันอยู่มากในนรก แม้ในเทวดาทั้งหลายก็ช่วยไม่ได้สุขอื่นนอกจากสุขคืนนิพพานไม่มีเลยชนเหล่าใดขนขวายในพระธรรมวินัยของพระทศพลมีความขนขวายน้อยภาคเพียรเพื่อละชาติและมรณะชนเหล่านั้นย่อมถึงนิพพานทูนกลกระหม่อมพ่อเพคะวันนี้แหละลูกจะออกบวชพภกระัพทั้งหลายที่ไม่มีแก่นสารจะมีประโยชน์อะไร ลูกเบื่อนายกรามทั้งหลายแล้วทําให้เสมอด้วยรากสุนัขทําให้เหมือนตานยอดด้วนเจ้าหญิงสุเมทานั้นกําลังกราบทูลพระชนกอยู่อย่างนี้พระเจ้าอนิกรัฐผู้ได้รับพระราชทานพระนางสุเมทานั้นมีขราชบริพารหนุ่มแวดล้อมแล้วก็เสด็จมาเพื่อเข้าสูว่วิวาเมื่อเวลากระชั้นชิดภายหลังเจ้าหญิงสุเมธาทราบว่าพระเจ้าอนิกรัฐเสด็จมา จึงใช้พระขันตัดพระเเคสาอันดำคลับที่รวบไว้อ่อนสลวยทรงปิดปราสาทเข้าปฐมฌานเจ้าหญิงสุเมทานั้นเข้าฌานอยู่ในปราสาทนั้นและพระเจ้าอนิกรัตก็ได้เสด็จมาถึงพระนครสุเมธาก็เจริญอนิจจสัญญาอยู่ในปราสาทนั้นนั่นแหละเจ้าหญิงสุเมทานั้นกําลังมนสิการและพระเจ้าอนิกรัตทรงแต่งองค์ด้วยแก้วมณีและทองคํา ก็รีบเสด็จขึ้นปร า, าสาททรงประคองอัญชลีอ้อนวอนพระนางสุมเมทาว่าอำนาจทรัพย์ความเป็นใหญ่โพคะสุขในราชสมบัติน้องหญิงยังเป็นสาวอยู่ขอเชิญบริโภคการทั้งหลายกา ม, มาสุขหาได้ยากในโลกราชสมบัติพี่ยอมสละให้น้องหญิงแล้วเชิญน้องหญิงบริโภคโพคะซับถวายทานทั้งหลายเถิดน้องหญิงอย่าทรงเสียพระทัยเลย พระชนกพระชนนีของพระน้องหญิงทรงเป็นทุกข์เจ้าหญิงสุเมธาไม่ต้องการกลามทั้งหลายปราศจากโมหะแล้วจึงกราบทูลพระเจ้าอนิกรัตนนั้นว่าอย่าทรงเพลิเพลินกลามเลยโปรดทรงเห็นโทษในกรามทั้งหลายเถิดเพคะพระเจ้ามันธาตุเจ้าแห่งทวีปทั้งสี่ทรงเป็นย่อผู้บริโภกามทั้งหลายยังไม่ทันทรงอิ่มก็เสดสวรรคตไปแล้ว ทั้งความปรารถนาของพระองค์ก็ยังไม่เต็มเลยเทวดาผู้เป็นเจ้าแห่งฝนพึงหลังฝนคือรัตนเจตลงมาโดยรอบทั่วทั้งสิบทิศความอิ่มกามทั้งหลายก็ไม่มีนโรชนทั้งหลายยังไม่อิ่มเลยก็พากันตายไปกามทั้งหลายเปรียบด้วยดาบและเหลาเปรียบด้วยหัวงูเห่าเปรียบด้วยร่างกระดูกเปรียบด้วยคบเพลิงตามเผาอยู่ กามทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกมากมีพิษมากเป็นเหตุแห่งทุกขมีผลเป็นทุกขเหมือนก้อนเหล็กที่ลุกโชนกรามทั้งหลายเปรียบด้วยผลไม้เปรียบด้วยชิ้นเนื้อนำทุกขมาให้เปรียบด้วยความฝันหลอกลวงเปรียบด้วยของที่ยืมเขามากามทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและเหลาเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นทุกเป็นความลาบากเสมือนหลุม่านเพลิง เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นภัยเป็นเพชฆาตกรารมทั้งหลายมีทุกข์มากอย่างนี้บัณฑิต ท, ทั้งหลายจึงกล่าวว่าทำอันตรายเชิญพระองค์เสด็จกลับไปเสียเถิดหม่อมฉันไม่มีความวางใจในภพของตนเองเลยเมื่อไฟกำลังไหม้ศรีรษะของตนเองอยู่คนอื่นจะช่วยอะไรหม่อมฉันได้เมื่อชาราและมรณะติดตามอยู่ก็ควรพยายามกาจัดชาราและมรณะนั้นเสีย ดิฉันเห็นพระชนกพระชนนีและพระเจ้าอนิกรัตเสด็จยังไม่ทันถึงพระทวารก็ประทับนั่งที่พื้นดินทรงกันแสงอยู่จึงได้กราบทูลดังนี้ว่าสังสารวัตรเป็นสภาวะยืดยาวสำหรับพวกคนเขาผู้ร้องไห้อยู่บ่อยๆเพราะบิดามารดาตายพี่ชายน้องชายถูกฆ่าและตัวเองถูกฆ่าในสังสารวัตที่มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้แล้ว ขอพระองค์ทรงโปรดระลึกถึงน้ําตาน้ํานมเลือดและกองกระดูกของสัตว์ทั้งหลายผู้ท่องเที่ยวไปมาว่ามากเพียงไรเพราะความที่สังสารวัตมีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้แล้วโปรปดทรงระลึกถึงมหาสมุทรทั้ง4ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงนํามาเปรียบเทียบด้วยน้ําตาน้ํานมและเลือดโปรปดทรงระลึกถึงกองกระดูกในกลับหนึ่งของบุคคลคนหนึ่ง เทียบเท่าภูเขาวเวบุละบัรพศโปรทรงระลึกถึงแผ่นดินใหญ่ชมพูทวีปที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงนำมาเปรียบเทียบด้วยสังสารวัตของสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตที่มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้แล้วแผ่นดินทั้งหลายทาให้เป็นก้อนเท่ามเมล็ดพุซาก็มากไม่พอเท่าจานวนมารดาบิดาทั้งหลายโปรทรงระลึกถึงหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงนำมาเปรียบเทียบเพราะสังสารวัตรมีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้แล้วท่อนไม้ทั้งหลายมีขนาดสนิ้วก็มากไม่พอเท่าจำนวนบิดาและปู่ทั้งหลายโปรทรงระลึกถึงเต่าตาบอดและช่องแอบอันหมุนวนไปในทิศบุรพาและทิศอื่นๆในมหาสมุทรมาสวมหัวเตาว่าตาบอดตัวนั้นเปรียบเทียบในการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ โปรโรงระลึกถึงสภาวะที่จะสลายไปแห่งโทษคือกายที่ไม่มีแก่นซานซึ่งเปรียบด้วยก้อนฟองน้ำโปรโทรงพิจารณาให้เห็นขันทั้งหลายว่าเป็นสภาพไม่เที่ยงโปรดทรงระลึกถึงนรกทั้งหลายว่ามีความขับแค้นมากโปรโทรงระลึกถึงสัตว์ทั้งหลายที่พาันทมป่าช้าให้รกในชาตินั้นๆอยู่ร่ำไปโปรโ ร, ระลึกถึงภัยคือเจระเค รทรงระลึกถึงอริยสัจสี่เมื่ออมตะนิพพานมีอยู่พระองค์ยังจะทรงต้องการอะไรด้วยของเผ็ดร้อนห้าอย่างที่ทรงดื่มแล้วอีกเล่าเพราะว่าความยินดีกามทุกอย่างเผ็ดร้อนกว่าของเผ็ดร้อนห้าอย่างเมื่ออมตะนิพพาน ม, มีอยู่พระองค์ยังจะทรงต้องการอะไรด้วยกามทั้งหลายที่เร่าร้อนอีกเล่าเพราะว่าความยินดีกามทุกอย่างอันไฟติดโผลงแล้ว ให้เดือดร้อนให้หวันไหวเผาให้ร้อนแล้วเมื่อการออกจากกรามซึ่งไม่มีค่าศึกมีอยู่พระองค์ยังจะทรงต้องการอะไรด้วยกามทั้งหลายที่มีค่าศึกมากกามทั้งหลายมีภัยอยู่ทั่วไปคือราชภัยอัก ค, คีภัยโจรภัยอุทกภัยและอภิยะภัยจึงชื่อว่ามีค่าศึกมากเมื่อมโมขธรรมมีอยู่พระองค์ยังจะทรงต้องการอะไร ด้วยกามทั้งหลายที่มีการฆ่าการจองจำเล่าเพราะว่าการฆ่าการจองจำมีอยู่ในกรามทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ใคร่กรามย่อมได้รับทุกข์ทั้งหลายคบเพลิงย่าที่ลุกโพล่ย่อมไหม้คนที่ถือและพวกคนที่ไม่ยอมปล่อยเพราะว่ากรามทั้งหลายเปรียบด้วยคบเพลิงย่อมไหม้คนที่ไม่ยอมละโปรดยะละสุขอันภัยบูนเพราะเหตุแห่งกรมมาสุขเพียงเล็กน้อย ยาทรงเป็นดุดปลาใหญ่เคลื่นเบ็ดต้องเดือดร้อนในภายหลังโปรดยาทรงเป็นดุดสุ น, นักถูกล้ามโซ่หมุนไปหมุนมาเพราะการทั้งหลายเลยเพราะกามทั้งหลายจากทําพระองค์ให้เป็นเหมือนคนจันทานหิวจัดได้สุ น, นักแล้วทําให้พินาฏได้พระองค์ทรงประกอบด้วยกามจากเสวยทุกข์ซึ่งหาประมาณมิได้และความเสียใจอย่างมากโปรดสละกามอันไม่ยั่งยืนเสียเถิด เมื่อนิพพานที่ไม่มีความแก่มีอยู่พระองค์ยังจะทรงต้องการอะไรด้วยการทั้งหลายที่มีความแก่เล่าความเกิดทั้งปวงมีมรณะและพยาธิกากับไว้ในภพทุกภพนิพพานนี้ไม่แก่ไม่ตายเป็นทางดำเนินถึงความไม่แก่และไม่ตายไม่มีความเศร้าโศกไม่ถูกฆ่าสึกเบียดเบียนไม่พลาดไม่มีภัยไม่มีความเดือดร้อนนิพพานนี้ พระอริยเจ้าเป็นจำนวนมากบรรลุแล้วอมตะนิพพานนี้อันผู้พยายามโดยแยบคายพึงได้ในวันนี้นี่แหละแต่ผู้ไม่พยายามอาทาได้ไม่เจ้าหญิงสุเมธาเมื่อไม่ทรงยินดีในสังขารกราบทูลอย่างนี้และเมื่อกําลังทรงเกลีย้ยกล่อมพระเจ้าอนิกรัตอยู่ก็ทรงโยนพระเยสาลงที่พื้นดินพระเจ้าอนิกรัตเสด็จลุกขึ้นประคองอัญชลี ทูลอ้อนวอนพระชนกของพระนางว่าโปรทรงปลดปล่อยเจ้าหญิงสุเมธาให้พนวดเถิดเพราะว่าเจ้าหญิงทรงเห็นวิโมกและสัจธรรมแล้วเจ้าหญิงสุเมทานั้นซึ่งพระชนกชนนีทรงปล่อยแล้วกลัวภัยคือความโศกบวชแล้วเมื่อศึกษาอยู่ก็ทําให้แจ้งอภินญาหกและอรหัตผลแล้วนิพานนั้นน่าอัศจรรย์ไม่เคยมี ได้มีแก่สุมเมธาราชกัญญาพระสุมเมธาเทอรีได้พยากรณ์วิธีที่ตนประพฤติแล้วในปุกเพนิวาสยานเหมือนอย่างที่พยากรณ์ในเวลาใกล้ปรินิพานว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าโกนาคมณะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเมื่อสร้างสังคารามเสร็จใหม่ๆเขาไปเจ้าได้เป็นหญิงรวมกับเพื่อนกันสามคนได้ถวายวิหารแด่สง์ พวกเราทั้งสามคนเกิดในเทวโลกสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างหมื่นชาติบ้างไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงการเกิดในมนุษย์เลยพวกเรามีฤทธิ์มากในหมู่เทวดาไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงฤทธิ์ในหมู่มนุษย์เราเป็นมเหสีนารีรัตของพระเจ้าจากักรพรรดิผู้มีรัตนเจ็ดประการการสร้างอารามถวายสงฆ์เป็นวิหารทานนั้นเป็นเหตุเป็นแดนเกิด แห่งทิพยาสมบัติตามที่กล่าวมาแล้วข้อนั้นเป็นมูลและเป็นความเกษเสมในพระศาสนาเป็นเหตุตั้งมั่นพร้อมด้วยธรรมครั้งที่หนึ่งข้อนั้นเป็นนิพพานสำหรับข้าพเจ้าผู้ยินดีแล้วในธรรมชนเหล่าใดเชื่อพระดำรัตของพระผู้มีพระภาคผู้มีพระปัญญาไม่ซามชนเหล่านั้นย่อมกล่าวอย่างนี้ย่อมเบื่อนายในภพครั้นเบื่อนายแล้วย่อมคลายกาหนด ดังนี้มหานิบาตจบบริบูรณ์เทเรียคาถาจบบริบูรณ์ในเทเรียคาฐานี้มี494คาถาและมีพระเทรีล้วนแต่เป็นผู้สิ้นอสาาวะเกินร้อยรูปชนนี้แล